พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สามสิบสามมัคคะเทวสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้ามัคคเทพพระผู้มีพระภาคประทับณป่ามะม่วงของพระเจ้ามัคคเทพใกล้กรุงมิถิลาทรงทำพระอาการยิ้มย้มให้ปรากฏเมื่อพระอานนท์กราบทูลถามถึงเหตุที่ทรงยิ้มจึงตรัสเล่า ว, ว่า กรุงมิถิลานี้เคยมีพระราชาพระนามว่ามัคคเทพเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมทรงประพฤติ ธ, ธรรมในรามคฤหบดีชาวนิคมชนบททั้งหลายทรงอยู่จำอุโบสถในวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและแปดค่ำแห่งปักตรัสสั่งช่างการระบบว่าถ้าเห็นเส้นพระเกศางอกเมื่อไรให้บอกเมื่อล่วงการมานานช่างการระบบ เห็นเส้นพระเกศางอกก็กราบทูลให้ทรงทราบตรัสให้เอาแหนบถอนให้ทอดพระเนตรครั้นแล้วพระเจ้ามคคเทพจึงตรัสเรียกเชษฐโอรสคือลูกชายคนโตมาทรงมอบราชสมบัติให้แล้วตรัสสั่งให้ปฏิบัติทํานองเดียวกับพระองค์คือเมื่อเส้นพระเกศางอกให้ออกพนวดให้รักษากรรยานวัตอันนี้อย่าเป็นคนสุดท้าย ที่ทำให้กัลยาณวัตนนี้ขาดศูนแล้วจึงออกผนวดทรงแผ่เมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตและอุเบกขาจิตไปทั้งหกทิศสู่โลกทั้งปวงเจริญพรหมวิหารสี่ดังกล่าวมานี้เมื่อสวรรคตก็เข้าถึงพรห ม, มโลกพระโอรสของพระเจ้ามาคาทเทพ พระราชนัดดาของพระเจ้ามัคคเทพก็ส่งประพฤติสืบต่อกันมาโดยไหนนี้สืบมาจนถึงพระเจ้านิมิซึ่งเป็นพระธรรมิการาชาองค์สุดท้ายเมื่อมาถึงพระราชบุตรของพระเจ้านิมิผู้ส่งพระนามว่าพระเจ้าการาราชนกะก็ส่งตัดกัลยาณวัฒนนั้นไม่เสด็จออกพนวดจึงนับเป็นพระองค์สุดท้ายแห่งกษัตริย์เหล่านั้น ตรัสสรุปว่าวัดนั้นเพียงให้ถึงพรมโลกแต่กัลยาณวัตรที่ทรงตั้งไว้ในปัจจุบันนี้คืออริยามรรคมีองค์แปดทำใหตรัสรู้และให้ได้นิพพานในที่สุดตรัสเตือนให้รักษากัลยาณวัตรของพระองค์อย่าเป็นคนสุดท้าย